<Book> 34. ปีกว่า 30. บนรถไฟในทัวร <to> นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับอะที่ทัวร์ไปเบอร์ลินรถไฟออกเมื่อไหร่ครับ รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับวันนาร์อังค์มาถึงทัวร์ที่เบลินขอโทษครับผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับอนุสกุลมาทผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับ Jeg tror, du sidder på min plads. Du n ø r r i k a b bo n e n hvor er sovevognen? Du nører i kabunen, i den s i r s t e del af toget. Og hvor er spisevognen? I den f o r s t e del. ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับออยายโซเ ว, วนดอร์สผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับออยายโซเเมนผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับโมออยายโซ่ยอสเราจะถึงชายแดนเมื่อไห ร, ร, ร่วนนัเอวิเวดกรงเซน ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไรครับว่าล้งกว่าทันไปเบอรลินรถไฟจะเข้าช้าไหมครับอร์ทัวร์ถสันคุณมีอะไรอ่านไหมครับหาดูโน้ดที่อ่นที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับแ a n แมนฟู คุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับ